บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนิยาแห่งปัญหาตอนต่อไปนั้นนันตกะมนุ์ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นใจความว่าสำนับพราหมณ์ทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติใยการสะดับปัง โดยการรักษาศีลบ้างโดยการประพฤติวัดบ้างและด้วยการประพฤติกระทา ม, มงคลต่างๆเป็นต้นบ้างบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นสามารถที่จะช่วยตนเองให้ขําพ้นชาติชารามรณะเป็นต้นได้หรือไม่พระผู้มีรพระภาคเจ้ารับสั่งตอบเป็นใจความว่าการกระทำทั้งหมดของบุคคลเหล่านั้น ไม่สามารถที่จะช่วยให้เขาข้ามพ้นชาติชราบรารณะเป็นต้นไปได้ประเด็นสำคัญในเรื่องเหล่านี้ท่านผู้ถามต้องการถามจุดสูงสุดในการประพฤติปฏิบัติคือการข้ามพ้นชาติในชราเป็นต้นใด น, นั้นมีได้เพียงพวกเดียวเท่านั้นคือพระอระหันต์ซึ่งดับได้ทั้งเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข ปิดกัน้นการอุบัติบังเกิดในชาติพบต่างๆเรียกว่าอยู่ในจุดของโลกุตระที่แท้จริงคือค้นจากโลกที่แท้จริงเมื่อการเสนอข้อปฏิบัติชั้นต่ำแล้วพูดถึงผลชั้นสูงการปฏิบัติชั้นต่ำนั้นก็ไม่สามารถที่จะให้ผลชั้นสูงได้แต่วาในาขณะเดียวกันหลักเหล่านั้น ก็มีการประพฤติปฏิบัติกันอยู่สองสายท่านพูดถามปัญหาเน้นไปที่การประพฤติปฏิบัติด้วยการฟังในการรักษาศีลหรือ ว, วัดด้วยมงคลตามที่เชื่อถือกันในภายนอกแม้จะเป็นการเชื่อถือและประพฤติปฏิบัติกันในภายนอกพระพุทธศาสนาก็ตามในแง่ของผลแล้วก็ขอให้เกิดเป็นขวัญเป็นกำลังใจเป็นความเชื่อมั่นของท่านเหล่านั้นได้ระดับหนึ่ง แต่ถ้าพูดถึงผลสูงสุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงผลสูงสุดได้ไม่ต้องกล่าวถึงการปฏิบัติในภายนอกการปฏิบัติในชั้นนั้นก็ไม่ช่วยให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้โดยการปฏิบัติเพียงเท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในชั้นการปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลได้เกิดความรู้ความสงบ ไดความสุขได้ตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆซึ่งักธรรมเหล่านี้ก็มีปรากฏอยู่ในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสดับจับฟังเรื่องการรักษาศีลเรื่องการปฏิบัติวัดในเรื่องของมงคลต่างๆก็ตามเรื่องของการศึกษาสดับจับฟังตำหลักของพระพุทธศาสนานั้นมุ่งไปในด้านการขาจัดโมหะคือความไม่รู้ในเรื่องต่างๆ ซึ่งก็มีอยู่เป็นพื้นใจของบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้พระพุทธศาสนาได้เน้นที่การศึกษาสับสับฟังเอาไว้ถือว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้บุคคลเข้าถึงจุดสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้ดน้าทุกขั้นตอนของการเรียนรู้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจึงเริ่มต้นที่การศึกษาการสับสับฟัง การได้ใช้คาว่าสดับสอกฟังนั้นเพราะการสั่งสอนในสมัยโบราณใช้การพูดเป็นหลักทเรียกว่ามุขปาฐะหรือพูดกันด้วยปากเพราะั้นคนที่จะรับรู้เรื่องราวเหล่านั้นจึงต้องอาศัยการฟังเป็นหลักเช่นเดียวกันแต่ในปัจจุบันนี้สื่อการเรียนการสอนได้กระจายตัวเองออกไปแต่โดยความหมายที่เป็นเนื้อหาจริงๆแล้ว ก็คือการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคคลนั้นนั่นเองเราจะแตกต่างกันในด้านของวิธีการแต่ว่าโดยเนื้อหาแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการศึกษาสดัตบุตรฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าเป็นอุดมมงคลประการเด็กแล้วก็เป็นอริยทรัพย์ประการเด็กแต่เราถึงเป็นคุณธรรมที่ทําบุคคลให้เป็นเทวดาในชีวิตปัจจุบันเป็นต้น ทุกขั้นตอนการศึกษาในทางพุทธศาสนาจึงเน้นที่การสดับจับฟังเอาไว้แต่การสดับจับฟังนั้นจะต้องอาศัยทั้งปัญญาและทั้งศรัทธาทั้งจะต้องมีความเคลื่อนไหวที่เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้มั่นคงขึ้นภายในจิตใจของบุคคลดดนั้นเป็นทรงแสดงว่าบุคคลผู้มีศรัทธาเข้าไปหาสัตว์ปุรุษเมื่อเข้าไปหาแล้วนั่งกลายมานั่งกลายก็ฟังธรรม ในขณะที่ฟังอยู่ก็เงี่ยหูลงฟังทำนั้นในขณะที่เงี่ยหูลงฟังนั้นก็ให้กําหนดข้อความที่ท่านแสดงมากําหนดข้อความแล้วก็ให้พิจารณาธรรมที่ท่านแสดงเหล่านั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าในเชิงของการฟังที่ทรงแสดงไม่จะเน้นที่สุตามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการสดับผัสฟังเพียงอย่างเดียวแต่เน้นไปที่จินตามยปัญญาคือให้บุคคลได้ ใช้ความคิดของตนควบคุมกำกับเรื่องที่ตนกำลังสดับสับฟังอยู่นั่นแน่นอนการฟังในลักษณะนี้ก็เป็นการเสริมสร้างสมาธิคือความส ง, งบไปเกิดขึ้นกัจิตใจประสาติของบุคคลจะต้องแนบอยู่กับเรื่องที่กำลังฟังอยู่ในขณะนั้นๆเมื่อสติระลึอกอยู่เช่นนั้นความคิดในเรื่องอื่นก็ชื่อว่าส ง, งบไปใจก็จะจดจ่ออยู่ในเรื่องที่ตนฟัง ก็กลายเป็นการเสริมสร้างปัญญาให้บังเกิดขึ้นการปฏิบัติในลักษณะนี้จึงเดินไปจุดถึงขั้นของภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการลงมือประพฤติปฏิบัติกระทำบำเพ็ญให้ปรากฏดังนั้นในชั้นของการศึกษาจึงทรงจำแนกแสดงองค์ของผูาา้ศักดิ์จริญพระองค์ของผู้มีการศึกษาสดับสับฟังเอาไว้ถึง5ประการด้ยวยกัน การแรกก็คือการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสดูด้วยตาได้ยินด้วยหูสุดลมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นและถูกต้องด้วยกายจำทรงเรื่องเหล่านั้นเอาไว้เต็มตามความสามารถของตนบางเรื่องจําเป็นจะต้องท่องให้คล่องปากมีความชมํชนานิชํานาญท่องจนขึ้นใจว่าได้ในทันทีทันใดในกรณีเหล่านี้มักจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้อยู่สม่ําเสมอ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของบุคคลอยู่แล้วต้องนําเรื่องเหล่านั้นมาเพ่งพินิษพิจารณาด้วยใจของตนไม่ว่าได้ยินได้ฟังเรื่องอะไรก็ตามหลักการพินิษฐ์พิจารณาเป็นหลักใจญ่ราสิ่งที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเกี่ยวข้องโดยประสาสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามบางครั้งก็มาทั้งดีและไม่ดีมาทั้งสิที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ เป็นการท้าทายให้คนได้หยุดคิดได้ปินิพิจณาได้เลือกสรรขั้นตอนของการเลือกสรรอันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาสดับตับฟังจึงทรงจำแนกสแสดงไว้เป็นสามประเภทด้วยกันประเภทแรกเรียกว่าอายโกสลคือฉลาดในทางแห่งความเจริญอะไรเป็นทางแห่งความเจริญมอก่าวโดยสรุป ก็คือกุศลละธรรมทั้งหลายเป็นทางแห่งความเจริญบางครั้งท่านอาจจะแสดงออกไปเป็นคู่คู่เห็นว่าเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไเป็นประโยชน์เป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นต้นแท้จริงแล้วก็เป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่จะพูดถึงเหตุเหตุครั้งแรกเหตุครั้งที่สองเป็นต้นแต่เมื่อก่าวโดยสรุปแล้ว สิ่งนั้นก็คือทางแห่งความเจริญเพราะในชั้นของการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตทั้งหมดหรือเรื่องของความคิดก็าตามมันจะมีทางดําเนินอยู่สองทางใหญ่ๆที่ท่านเรียกว่าทางเสื่อมกับทางเจริญหรือใช้คําบาลีว่าสุกติกับทุกติสุกติก็คือการไปดีไปง่ามไปง่ายทุกติก็คือไปชั่วไปยากไปเดือดร้อน แล้วก็หมายไปถึงพบชาติโอกาส ต, ต่อไปด้วยที่นั่นเรียกสวรรคสุคติเรียกนรกว่าทุกติทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าการไปสู่สถานที่นั้นก็ให้เกิดเป็นความสุขความทุกข์แก่บุคคลตามสมควรแก่การดาเนินเรียกคนที่เดินไปว่าถ้าเดินไปในทางดีก็เรียกว่าสุคโตเรียกก่าผู้ไปดี แต่พระพุทธเจ้าเองก็ได้รับการเฉลิมพระนามว่าสุกโตคือเสด็จไปดีดังนั้นการไปดีก็คือการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสดแสดงไว้นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความสุขความสงบ ค, ความเจริญให้เกิดขึ้นแก่ บ, บุคคลเหล่านั้นแล้วยังชื่อว่าเป็นการดําเนินตามรอยบาทจุคนของพระพุิมีพระภาคเจ้าเป็นการถึงพระพุทธเจ้าเป็นการสัมผัสคุณของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงอีกด้วย ส่วนบุคคลที่เดินไปในทางทุกติท่านเรียกว่าทุกขโตคือผู้ไปชั่วไปยากไปเดือดร้อนไปประสบความทุกข์ตรมาดเดยประการต่างๆดังนั้นหลักของความฉลาดที่จรงสอนจึงทรงสอนไว้2ทางคืออยกุศลฉลาดในทางเจริญอป า, ายกุสนฉลาดในทางเสือ่อมซึ่งกรณี้บุคคลสามารถสังเกตพิจารณาได้ทุกระดับของการดําเนินชีวิตเช่นว่าการไปในสถานที่ใดที่หนึ่ง ทุกคนก็จะพบว่าเป็นทางเสื่อมทางจเจริญหรือทางแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนกับทางแห่งความสุขความสงบทางที่ได้ประโยชน์กับไม่ได้ประโยชน์จะมีลักษณะสองทางเช่นนี้เสมอแม้แต่ขับรถหรือจะเดินไปไหนมาไหนก็จะมีทางที่ให้ประโยชน์และเสียประโยชน์ในังนของความคิดจิตใจถึงที่จริงก็เป็นการที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ อันก่อให้เกิดความเครือบแคงสงสัยที่เรียกว่าวิจิกิจฉาวิจิกิจฉานั้นได้เชี่ยเห็นถึงความไม่ฉลาดในทางเด่ความเครือบแคลงสงสัยคือไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นทางอะไรอะไรเป็นทางเสื่อมอะไรเป็นทางแห่งความเจริญจึงเกิดความเครือบแคลงสงสัยในทางเหล่านั้นแต่เมื่อบุคคลกจัดความเครือบแคลงสงสัยออกไปได้ก็ชื่อว่าสามารถแยกทางเสื่อมและทางเจริญได้ เร ก, กลายเป็นหลักธรรมที่ทรงแสดงไว้ในสัมปชัญญะคือว่าดูความรู้ได้แก่โครจรสัมปชัญญะพิจารณาในทางดําเนินของกายในของจิตกายจะไปในที่ใดก็ตามถ้าเป็นทางเสื่อมก็รู้เป็นทางเจริญก็รู้ซึ่งหมายความว่าความรู้ในสองชั้นนี้แม้ในชั้นของความคิดจิตใจในแต่ละขณะ ก็ดูใจที่แล่นไปในอารมณ์ต่างๆในแต่ละขณะก็จะมีอยู่สองทางคือทางเสื่อมกับทางเจริญใจก็จะแล่นไปอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเพ่งพินิษดูใจดูจิตในแต่ละขณะพอเวลานี้จิตเป็นยังไงจิตแล่นไปในทางกุศลหรือในทางอกุศลอย่างที่ทรงสอนให้ดูจิตว่าจิตมีโทสะหรือไม่มีโทสะจิตมีโทสะนั้นแสดงว่าจิตกำลังเดินไปในทางเสื่อม จิตไม่มีโทสะก็แสดงว่าจิตกาลังเดินไปในทางเจริญซึ่งการไหลไปการแล่นไปของจิตในลักษณะนี้บางครั้งบุคคลก็ปล่อยให้จิตมันแล่นไปโทสะก็เพิ่มขึ้นในที่สุดก็ไม่ได้อยู่เฉพาะภายในใจมันจะขึ้นกรุ่มรุมใจกลายเป็นความเล่าร้อนที่เราเรียกวณนนิวนและถ้าหากว่ายังไม่มีปัญญาที่จะตัดที่จะสงบที่จะสยบ ความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ก็จะออกมาทางกายออก็เป็นพฤติกรรมที่เป็นพิษเป็นภัยต่อตนเองเป็นพิษเป็นภัยต่อบุคคลอื่นเท่านั้นในขณะเดียวกันบางครั้งจิตก็เดินไปในทางที่เป็นความสุขความสงบที่เรียกว่าสุขติบุคคลก็รู้ในขณะนั้นนั้นเวลา น, นี้จิตประกอบเด้วยเมตตามีความไม่พยาบาท อาจจะแสดงออกมาในรูปของความปรารถนาดีที่จะเห็นคนอื่นสดุดยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนผู้คนก็ประคับประคองใจไว้แต่ถ้าไม่สามารถรู้ว่าจิตนี้เป็นจิตติก็จะปล่อยให้ตกไปอีกสายหนึ่งคือสายของโทสะดังกล่าวแล้วังการมองจิตในลักษณะนี้ที่จริงก็คือการมองทางเสื่อมกัทางเจริญของจิต ถ้าจิตตกไปในทางเสื่อมก็ดึงกลับตกไปในทางเจริญก็ประคับประคองไปให้อยู่ในทางเจริญอยู่ตลอดไปฉันอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยสัมปชัญญะอยู่ด้วยเมตตาอยู่ด้วยกรุณย์เย่อสมาธิอยู่ด้วยศรัทธาเป็นต้นก็ประคับประคองรักษาจิตไปนั่นแสดงให้เห็นถึงความฉลาดอีกชั้นหนึ่งที่ทรงใช้คําว่าอุปายโโกสนุนคือฉลาดในอุบายวิธี ท่จาลีกนี้ทางเสื่อมมาดำเนินในทางเจริญปัญหาเหล่านี้จึงกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะตามปกติแล้วคนจะรู้ว่าอะไรเป็นทางเสื่อมและอะไรเป็นทางเจริญแต่ว่าขาดอุบายวิธีที่จหรีกนี้ทางเสื่อมมาดำเนินในทางเจริญบางคนอาจจะมีปัญหาเพราะความโกรธก็รู้ว่าถ้าปล่อยความโกรธครอบงาแล้วก็จะแสดงความรุนแรงออกมาแล้วเกิดปัญหาทุกทีแต่ก็แก้ความโกรธไม่ได้ นี่ก็หมายความว่ารู้ว่าความโกรธนั้นเป็นทางเสื่อมแต่ไม่มีอุบายวธิธที่จะลดละบรรเทาความโกรธให้เบาบางลงไปจนอยู่ในจุดที่ไม่เป็นอันตรายหรือถ้าจะเป็นอันตรายก็ให้เป็นรายเป็นอันตรายน้อยหน่อยเพียงเกิดขึ้นรุ่ม ร, มรุมใจแล้วค่อยสงบไปย้ายออกมาทางวิีที่เป็นทุจริตหรือว่ากายเป็นทุจริตหรือบางครั้งบางคราวก็อาจจะเกิดขึ้นจากความพิตกกงังวล เก็บกฎเรื่องราวต่างๆเอาไว้ที่เป็นอดีตบ้างไขว่คว้าเรื่องที่เป็นอนาคตบ้างเป็นห่วงใยลูกหลานทรัพย์สมบัติหน้าที่การงานเป็นต้นบ้างแล้วก็เกิดความกัดกลุ้มในสุดก็จะบ่นว่ากลุ้มถามว่มาทําไมจึงกลุ้มแล้วก็บอกเหตุให้เกิดความกรุ้มใดเป็นห่วงลูกเป็นห่วงทรัพย์เป็นหว่นห ว, งนหวงการงานมีปัญหาในอดีตกลัวจะไม่ไมสมหวังในอนาคตเป็นต้นคือรู้สาเหตุทั้งหมดเลย แต่ว่าแก้ปัญหาไม่ได้เมื่อแก้ปัญหาไม่ได้มันก็กลายเป็นการไม่ได้รับประโยชน์จากความรู้เหล่านั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจไม่ว่าภายในจิตใจของบุคคลแต่ละคนหรือแม้แต่ภายในครอบครวัวตามปกติแล้วบุคคลก็รู้ว่าอะไรเป็นทางเสื่อมอะไรเป็นทางเจริญซึ่งคนนี้เราจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าบางทีคนที่ลุ่มหลงมัวเ ม, มอ ง, ม อ, งอยู่ในอบายยมุขนั่นเอง สามารถอธิบายชี้แจงโทษข อ, อของอบายมุกต่างๆได้อย่างวิจิตพิสดารเห็นจริงเห็นจังแต่เอาก็จริงแล้วตนวเองก็ละอบายมุกเหล่านั้นไม่ได้ผลที่เกิดขึ้นจากความรู้นั้นก็เป็นเพียงปริยัตหรือการศึกษาเรียนรู้การพูดไปได้แต่ผลที่แท้จริงซึ่งพระพุทธศาสนาประสงค์ให้เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นไม่ได้เนื่องจากได้เดินไปไม่ถึงขนทางที่ควรจะเดินไป นั้นอุบายโกศลคือฉลาดในอุบายวิธีต่างๆที่จะลดที่จะละที่จะบันเทาที่จะหลีกเว้นแต่เราต้องการเพิ่มพูนคุณธรรมความดีให้บังเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้แยกแยะทางเสืิอมและทางเก็รได้แล้วก็เป็นผลที่ต่อเนื่องมาจากโดนิโสมนานสิการหรือการใช้ปัญญาเพ่งพินิจพิจารณาดูในเรื่องหลนั้นเราก็แยกแยะไปไดอย่างชัดเจน ปฏิบัติไปตามสมควรแก่กรณีดันั้นจนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ท่องแท้ที่เรียกว่าทิฏยาสุปฏิพิธาคือขบเจาะแทงตลอดด้วยทิฏฐิความคิดความเห็นของตนเมื่อบุคคลดำเนินการศึกษามาถึงจุดนี้หรือการสลับสับฟังได้มาถึงจุดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดของการแยกแยะทางเสื่อมทางเจริญและมีอุบายวิธี ในการหลีกหนีทางเสือบมาดําเนินทางเกเรได้ก็จะเป็นบันไดที่ช่วยให้การประพฤติปฏิบัติในชั้นอื่นของบุคคลเหล่านั้นประนีดขึ้นซึ่งแน่นอนในแต่ละขั้นนั้นไม่ใช่ตัวให้ถึงนิพพานโดยตรงแต่จะเป็นเหมือนยานพาหนะที่ส่งให้บุคคลใกล้พระนิพพานเข้าไปจากในชั้นของศีลที่ทรงแสดงไว้ในตอนท้ายของศีลวสีเลนะนิบูติงยันติ บุคคลจะบรรลุนิพพานได้ก็ประสิทธิ์แต่ว่าศีลตามลําพังจริงๆก็ช่วยให้บรรลุนิพพานที่แท้จริงไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันศีลก็บรรลุนิพพานระดับที่ลดหลั่นลงมาได้เจนว่าความสงบระงับดับเวรภยัยสงบความรุนแรงต่างๆซึ่งเป็นการปิดกั้นกระแสของความทุกข์ไม่ท่วมทับชีวิตของบุคคลมากเกินไปแ้ะในชั้นของศิน เมื่อบุคคลได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแล้วก็จะพบว่าเอาก็จริงแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปนับข้อกันมากมายก็ได้คือในชั้นแรกเรารักษาศีลในชั้นต่อไปศีลจะรักษาเราเองอย่างในกรณีของการรักษาศีลทั้งหประการนั้นแด้อาศัยปัญญาพินิจพิจารณาแยกจยะให้เห็นโดยนิยาที่กล่าวแล้ว บุคคลก็จะพบความจริงว่าเอาจริงแล้วเอาสักข้อเดียวก็ยังได้แต่เชื่อว่าเป็นการรักษาศีลได้มากกว่า5ข้อได้ทั้งไปตัวอย่างเช่นบุคคลหันไปประพฤติปฏิบัติ ธ, ธรรมมด้วยการเสริมสร้างความเมตตาให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใ จ, จของตนเมตตาเมื่อบังเกิดขึ้นนั้นจะทำหน้าที่จัดกิเลสที่ตรงข้ามจริงๆกับตนก็คือความพยาบาท แต่ในขณะเดียวกันเมตตายังได้ขจัดกิเลสสายโลภะที่ท่านเรียกว่ารักะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความใคร่ในวัตถุในอารมณ์ในสิ่งของในบุคคลที่ตนใคร่กาจัดความรักในวัตถุในอารมณ์ในบุคคลในสิ่งของที่ตนรักซึ่งหมายความว่าถ้าเมตตาบังเกิดขึ้นได้อยู่ในระดับที่คุ้มครองใจตนได้ เมตตาจะชำระศีลให้เองโดยไม่จำเป็นจะต้องไปนับข้อศีลอย่างนั้นก็ได้ประตารใดก็ตามที่ใจของบุคคลประกอบด้วยเมตตาอยู่การละเมิดศีลข้อที่หนึ่งด้วยการฆ่าการเบียดเบียนสัตว์อื่นก็เกิดขึ้นไม่ได้การจะไปลักไปขโมยทรัพย์สินเงินทองของบุคคลอื่นหรือช่อโกงบุคคลอื่นก็เกิดขึ้นไม่ได้แม้แต่การระพฤติผิดในทางประเวณีก็จะไม่เกิดขึ้น มุสาวาทคือการพูดโกหกหรือการพูดยุยงส่งเสริมไม่เกิดความแตกแยกการพูดคําหยาบคายร้ายกาจหรือการพูดเพ่เอเจ้อโดยไรก็ไม่เกิดขึ้นเพราะใจที่เมตตานั้นจะแสดงเมตตาออกมาทางกายด้วยออกมาทางวาจาด้วยจึงเรียกว่าเมตตากายกรรมเมตตาวาจีกกรรมดังนั้นศีลข้อสุราเอง ทุกคนก็จะสงบระงาบได้คือไม่ดื่มสุราเพราะว่าใจที่ประกอบด้วยเมตตานั้นมีฐานอยู่ที่ใจตนเองคือมีความรักตนถนอมตนทำตนเป็นอุ ป, ปมาได้ปรารถนาความไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ตนก่อนการดื่มสุราเมรัยหรือสิ่งเสพที่ให้โทษต่างๆนั้นเป็นการสร้างเวรภัยเกิดขึ้นแก่ตนโดยเมตตาเพียงข้อเดียว ก็เพิ่มศีลขึ้นได้เป็นอันมากที่จริงไม่ใช่หขอ้อเราเพิ่มได้มากกว่านั้นนั่นคืออะไรนั่นคือเกิดขึ้นจากความเข้าใจการรักษาศาีลจึงกลายเป็นเรื่องไม่หนักสําหรับคนที่เข้าใจเรื่องศีลต่กลายจะกลายเป็นเรื่องหนักคล้ายๆจะไม่มีที่เหยียดมือเหยียดเท้าสําหรับคนที่ไปนับตัวเลขกันในแง่ของธรรมะแล้วแม้บุคคลจะเปลี่ยนจากเมตตาเป็นสติ ความระลึกได้ระลึกทันนึกออกคือมองย้อนไปได้สติกับปัญญานั้นเกิดร่วมกันในอารมณ์เดียวกันการละเมิดศีลท้งห้าประการเกิดขึ้นจากการขาดสติและขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลมีสติมีสามาัมปชัญญะอยู่ภายในใจก็สามารถที่จะคุมตนเองให้ เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติในศีลและเป็นผู้มีศีลมีการทางกายทางวาจาที่เป็นปกติได้จิตใจก็จะสงบได้แม้จะไม่เป็นการสงบด้วยประการทั้งปวงแต่เป็นการสงบในชั้นหนึ่งคือในชั้นของการสงบเวรไภความโกรธนั้นอาจจะยังมีอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับไปอาฆาตพยาบาทใครความโลภ ก, ก็คงจะมีอยู่ แต่ก็ไม่ถึงกับไปละโมบโลภลาภของบุคคลอื่นเป็นต้นดังนั้นในชั้นของศีลจึงอำนวยความสุขให้ในชั้นนั้นๆอย่างที่ทรงแสดงไว้ในปริยาย น, นั้นมากแต่ก็พึงเข้าใจว่าไม่ใช่หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยลำพังศีลแต่ศีลก็เป็นบันไดขั้นหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นบันไดหลักที่จะนาบุคคลให้หลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้ ย่างเช่นทรงแสดงว่าบุคคลจะได้พ ก, กสมบัติกับพระศีลบุคคลจะได้ความสุขหรือบรรลุเข้าถึงสุคติได้กับพระศีลบรรลุนิพพานได้กับพระศีลบางครั้งทรงแสดงในรูปของผลที่บุคคลสมัมผัสได้ในปัจจุบันเช่นว่าศีลเป็นกําลังอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ศีลเป็นอภร์คือเครื่องประดับที่ก่อให้เกิดความสวยงาม หน้าดูหน้าชมหน้าทศนาไม่มีความเสื่อมเปลี่ยนแปลงไปศีลเป็นอาวุธที่กำจัดทำลายสิ่งซึ่งเป็นอุปสรรคอันต ร, รายให้หมดสิ้นไปได้ศีลเป็นเกราะที่ป้องกันพยานอันต ร, รายที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนได้คนที่ถูกฆ่าถูกทำลายนั้นหรือแม้การฆ่าการทาลายกันก็เป็นการแสดงเห็นถึงความไม่มีศีลพยายามไรที่คนมีศีล การฆ่าการทำลายจะไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นัน้นและศีลจะเป็นเกราะป้องกันคุ้มครองบุคคลผู้นั้นเอาไว้ไม่ให้เป็นภัยอันตรายจากบุคคลภายนอกแน่นอนบางครั้งบางคราวอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแก่กับบุคคลเหล่านั้นแต่เพราะปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาที่มีอยู่ภายในใจของตนก็จะมองย้อนถึงผลกรรมในอนดีต ที่ตนได้กระทําเอาไว้หรือคงกระทําเอาไว้จึงทําให้ต้องประสบความทุกข์ความเดือดร้อนในลักษณะนั้นแต่จิตที่เชื่อมั่นในศีลจะไม่ถูกยกครอนให้ผ่อนคลายจนกลายเป็นคนเลิกละในการรักษาศีลไปและยิ่งไปกว่านั้นพระเจ้าได้ทรงแสดงอณนนิสงเอาไว้ว่าบุคคลจะได้พบ ก, กับสมบัติกับพระศีลบุคคลผู้มีศีล จะเป็นผู้มีเกียรติคุณอันดีงามเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั่วไปจะเข้าไปในสมาคมใดก็อากระหายไม่ขั้นคล้ามขามเกรดในสมาคมนั้นไม่หลงทํากาลกิริยากริรยามจะตายก็ตายอย่างมีสติตาย ต, ตายก็จะผ่องใสก็เป็นไปตามสูตรที่ทรงแสดงเอาไว้เมื่อจิตผ่องแผวก็หวังได้ว่าจะบังเกิดในสุคติ มจิตเศร้าหมองก็หวังได้ว่าจะบังเกิดในทุ ก, กติเพราะผู้มีศีลที่ไม่หลงตายจะเป็นการตายดนจิตที่ผ่องแผ้วยังทำให้เขาได้รับอานิสงส์อีกประการหนึ่งคือหลังจากตายไปแล้วก็จะไปบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ดังนั้นในชั้นของศีลไม่สามารถข้ามพ้นชาติชรามรณะไปได้อย่างแท้จริงก็ตแต่ว่าการศึกษาการสดับจับฟังจะเป็นตัวการขาจัดโมหะ เป็นการเสริมสร้างสติปัญญาของบุคคลขึ้นในภพชาตินั้ น, น, นสี่ั้าประการนั้นสีลข้อแรกก็ให้อายุสีลข้อที่สองก็ให้ทรัพย์สี่ข้อที่สก็คุ้มครองรักษาสมบัติสีลข้อที่สก็ให้เครดิตของตนคือเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลอื่นสีลข้อที่หก็ให้สติปัญญาดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการเสริมสร้างคุณความดีต่าง ในภพในชาตินั้ น, น, นเป็นการตรบแต่งภพชาติของตนให้ประณีตขึ้นไม่สามารถหลุดพ้นจากชาติรามรณะไปได้จริงแต่ว่าภพชาติก็ประณีตขึ้นเป็นผลในระดับทิฏฐธรรมและสัมป ร, ราคภพภายภาคหน้าพระพุทธศาสนาจึงยอมรับความดีในชั้นต้นและชั้นกลางทั้งยอมรับว่าเป็นอุปนิสัยปัใจจัยในชั้นสูงสุดแต่ไม่ใช่เพียงลำพังเท่านั้นเอง ต่อจนี้ไปขอให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป